ความก็หมายเอาว่าสภาพที่ทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกไปใ น, ในที่ชั่วนี่แหละคำวมาธรรมะนั่นน ะ, ะดังนั้นบุคคลผู้ที่ไม่ทําความชั่วทําแต่ความดีแสดงว่าเป็นผู้มีธรรมะอยู่ในใจนันเป็นอย่างนั้นผู้ที่ทําความชั่วใส่ตัวเองนั่นแสดงว่า ไม่มีธรรมที่เป็นกุศลอยู่ในใจมีธรรมเป็นอกุศลอยู่ในใจเหตุนั้นน่ยใจนั้นจึงได้บัญชากายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปไต้พวกเราที่สนใจในทางธรรมะอย่างนี้นะก็ขอให้พากันทาใจของตนให้เป็นกุศล ที่นี้การที่จะทำใจเป็นกุศลได้นี่มันก็ต้องต่อสู้กับฝ่ายอากุศลอย่างเต็มที่เพราะชีวิตของคนธรรมดาสามัญ น, นี่นะท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มันมีทั้งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลอยู่ในจิตใจนั่นแหละถ้ามันมีทั้งสองอย่างนี้มันก็บันดานให้ทาดีบ้างทาชั่วบ้างอย่างนี้แหละ ตอนนี้เวลาได้สวยผลมันก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมาในสงสารจนถึงปัจจุบันชาตินี้เองนะอนี้ที่เราดำเนินชีวิตไปไปและไปเกิดอุปสรรคขัดข้องขึ้นมาไม่สามารถจะแก้ไขได้นั่นเรียกว่าทรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลมันตามมาให้ผล มันก็เกิดความทุกข์ไปชั่วระยะหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราดำเนินชีวิตไปมันสะดวกสบายไปมันไม่มีอุปสรรคขัดข้องอะไรอย่างนี้แสดงว่าเราสวยผลแห่งบุญกุศลที่ได้ทามาแต่ก่อนบุญกุศลที่ทามาแต่หนหลังนั่นแหละมาช่วยรักษาชีวิตนี่ให้ มีความอยู่เย็นเป็นปกติไปได้ไม่มีภัยพิบัตอันตรายอะไรมาก้องพานมาขัดขวางการดำเนินชีวิตก็ให้ควรพากันเข้าใจวิถีชีวิตอย่างนี้โดยแจมแจ้งในใจของตนถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วเมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัตมา ก็จะเป็นนึกเห็นไปในเรื่องอื่นนู่นคนส่วนมากมากกักจะเป็นอย่างนั้นนี่ไป น, นึกว่าผีสางหางแดงนู่นมาเบียดเบียนเอาออืหรือว่าเป็นกับเคราะร้ายเคราะห์ไม่ดีดวงไม่ดีอะไรทํานองนั้น น, นนะอันนั้นเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์เราไม่ควรที่จะเอามาแทรกกับพุทธศาสนาอพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรง สอนให้เราเพ่งเล็งไปในเหตุภายนอกอย่างนั้นสอนให้่าพิจารณาดูกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองนี่นะจริงอยู่หรอกเราละลึกชาดโหนหลังไม่ได้แต่เราเราก็มาดูผลของกุลกรรมบาปกรรมที่เราที่มันให้ผลในปัจจุบันนี่แหละเป็นเครื่องชี้ถึงอดีตกรรมที่ทำ ม, มา เช่นอย่างว่าคนบางคนนะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอช่วยรักษาอย่างไรยงไงก็ไม่หายนี่นี่เราไม่ต้องไปเพ่งเล็งอย่างอื่นเลยนี่ต้องเป็นผลกรรมชั่วที่ตัวทามาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาเนี่คันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอดูหมอเราอะไรเลยไม่ต้องไปสะดอกเคาะให้เสียเงินเสียทองไปโดยเปล่าประโยชน์ เราก็ตั้งหน้าทำความดีไปเอา้าทำความดีทางกายไม่ได้ก็ทำความดีทางใจแมนอนป่วยอยู่กับภาวนาอยู่ทำรวมจิตใจของตนให้แน่แน่อยู่ในกูรลนธรรมให้แน่แน่อยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนิตถึงว่าร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจมันไม่ได้ป่วยกับร่างกายหรอกถ้าใจเรามันเรื่มใส เชื่อมั่นในบุญในกรรมอย่างว่านั้นนะเรานึกเอาบุญเอาคุณนั่นมาเป็นอารมณ์อยู่ในใจมาเป็นที่พึ่งของจิตใจเมื่อใจได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งแล้วมันก็บรรเทาทุกทางใจที่เกิดจากร่างกายไม่ปกติโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเรียนอย่างว่านั้นมันก็มาเป็นทุกข์หลายภายในจิตใจเพราะว่าได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่ง อย่างนี้อย่าไปคิดออกไปหาที่พึ่งภายนอกเลยไม่มีอะไรจะพึ่งได้หรอกในโลกอันนี้นยะถึงเ ท, เทวดาอินพรมก็ช่วยไม่ได้อนุภาพแห่งกรรมชั่วที่ตัวแต่ละคนได้ทำมานั่นนะ่ะไม่มีผู้มีอำนาจใดๆในโลกนี้จะช่วยได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังช่วยไม่ได้อย่าว่าแต่เทวดาอินพรมเลย พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นศาสตราเอกในโลกมีบุญญาณุภาพเหนือมนุษย์และเทวดาอินทม์ทั้งหลายแต่พระองค์ก็ไม่มีอำนาจสามารถที่จะคัดจัดกมเวีนที่ตะมันมาตามสนองคนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้แม้แต่พระองค์เองก็ยังกำจัดกมเวีนต่างๆบางอย่างไม่ได้เลย พระองค์ก็ได้เสวยผลแห่งกรรมในอดีตมาเมืองกันนยพระองค์เป่งอุทานแกภิกษุทั้งหลายเช่นอย่างว่าทรงพระดำเนินไปสู่เมืองกุสินาราครั้งนั้นน ะ, สะเสด็จจะไปป ร, ริบิพาน์ที่เมืองกุสินาราระหว่างทางให้พระอานนท์เอาบาตรไปตักน้ำในแม่น้ำมาฉัน พระ อ, องค์หิวน้ำขอพระ อ, อ น, นุ์เถอบาดลงไปถึงแม่น้ำน้ำนั่นขุ่นไม่สามารถจะตัดพวามาถวายได้เลยจะได้กลับไปทูลพระ อ, องค์ว่าน้ำแม่นี้มันขุ่นมากฉันไม่ได้อยู่ข้างหน้าน้ำอจิรวดีน้ำใสดีขอให้พระ อ, องค์เสด็จไปที่แม่น้ำนั้น พระองค์ก็ยังรับสั่งว่าให้ไปตักน้ํานั่นมาเอา้าพระอานนท์ไปครั้งที่สองก็ยังน้ำยังขุนอยู่ไม่สามารถจะตักออกมาได้กลับไปการาบทูลเอา้าพระองค์ก็ทรงรับสั่งอีกเป็นครั้งที่สามพระอานนท์เลยตัดสินใจว่าแม้ถ้าได้รับสั่งถึงสามครั้งอย่างนี้หากว่าเราไม่ปฏิบัติตามกาจะแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยง ตัดเช่นใจอาวาดจุ่มลงน้ําน้ําใสแจ๋วทันทีเลยก็โอพระอานนท์ก็เกิดปีติขึ้นทั่วทั้งตัวอะไรแบบนี้โอ้พุทธานุภาพเป็นอย่างนี้หนอวงั้นพอพระ อ, องค์ได้ฉันน้านั้นแล้วจึงได้ทรงตรัสแก่พระอานนท์และพรกศิษยทั้งหลายว่าตั้งแต่ชาก่อนนั้นพระ อ, องค์เป็นพ่อค้าวัวต่างเอาสินค้าใส่ฝ่างใส่หลังวัวแล้วก็ ไล่วัวเดินตามทางไปค้าขายบ้านนั่นเมืองนี้พอไปถึงแม่น้ำแล้วก็หยุดพักให้วัวลงดื่มน้ำแล้วฝ่ายคนก็ลงอาบน้ำกันแต่เจ้าของวัวไปลงอาบน้ำเหนือน้ำวัวดื่มน้ำอยู่ใต้เมื่อเจ้าของวัวไปลงอาบน้ำา้วนน้าให้คุนวัวเลยได้ดื่มน้ำขุอ กรรมนั้นเราเลยติดตามสนองเราคิดดูอย่างว่ามันกรรมนิดหน่อยทความจริงมันน่าจะอาโหสิกรรมกันไปนานแล้วแล้วทำไมยังติดสอยห้อยตามอยู่จนถึงวันเสด็จไปปริพัติมันจึงไปให้ผลเอาพอดีเมื่อกรรมนั้นหมดแล้วน้ํานั้นจึงกลับใสขึ้นมาเอพระองค์ก็เลยได้ดื่มน้ํานั้นเลย มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องกรรมอันนี้นะเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะอย่าไปเชื่อพรามปราอย่างอื่นเลยเชื่อต่อการกระทำของเราเองนี่แหละเพราะว่าผลแห่งการกระทำนะ่ะทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความทุกข์นี่ถ้ากรรมดีมันให้ผลก็มีความสุขไปกรรมชั่วให้ผล ก็มีความทุกไปอย่างนี้แหละถ้าใครไม่ได้ทํากรรมชั่วมาแต่ก่อนทําแต่กรรมดีมาอย่างงี้นะพอมาเกิดมาชาตินี้ก็มีชีวิตลาบรื่นออปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บถึงจะมีโครคภัยกันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มากอืแล้วมีสมบัติก็ไม่มีใครมารักมาเล่อเอาไปมีผู้มีเมียก็ไม่คิดโคตกระบดจากกันในทางประเวนี แล้วก็ไม่มีใครมาหลอกลวงต้มตุนเพราะว่าแต่ชาก่อนตนก็กล่าวว่าจ่าเป็นสัตว์เป็นจริงไม่ไม่กล่าวว่าจาปลิ้นปล้อนหลอกลวงใครให้เสียทรัพย์เสียสินเผิดมาชาตินี้จึงว่าไม่มีใครมาหลอกลวงต้มตุนเอาทรัพย์สินเงินทองแล้วเ ร, เราพูดอะไรไปก็มักจะมีคนเชื่อถ้อยฟังคำ เพราะอา น, นิสงส์ที่พูดจาดีมาแต่ชาติก่อนอันที่มีร่างกายและจิตใจเป็นปกติไม่วิบัติเป็นใบเป็นบ้าอันนี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนไม่ได้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาผิ่นเฮ้ลอินอะไรของเสพติดให้โทษต่างๆมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ใ ส, สเ่เสน่ห์เร่โกลให้คนอื่นเขาหลงรักหลงไค่หลง ไหลเสียเงินเสียทองเพราะสเสน่ห์เลขก้นต่างๆนี้นะก็ะเพาะไม่ได้ทำกรรมชั่วเหล่านั้นมาเพราะเกิดมาชาตินี้จึงไม่ได้เป็นว่้เป็นว่าจึงมีกายวาจาใจเป็นปกติอันนี้แหชาวพุทธเรานะขอให้คำหนึ่งถึงเหตุปัจจัยของชีวิตดกล่าวมานี้ถ้าเรารู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างว่านี้แล้ว ก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบตามธรรมนองของธรรมคำสอนของพระเจ้าต่อย่างนั้นชีวิตของเราก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นแบบนี้นะเพราะเรารู้แจ้งในคำดีคาชั่วแล้วใครจะไปทํรคมชั่วแบบนี้พอะรู้แจ้งแล้วว่าคมชั่วนะมันให้ผลเป็นทุกข์จริงๆอย่างนี้นะ จะรู้แจ้งในกรรมดีการกระทําความดีธําดีนั้นให้ผลเป็นถูกจริงๆอย่างนี้พอรู้แจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็เว้นจากกรรมชั่วได้นะตั้งหน้าทำโดยกรรมมันดีเรื่อยไปก็ทําให้บุญกุศลเจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของตนกรรมชั่วก็ไม่เจริญงอกงามขึ้นเพราะตนไม่ทํามันได้เชื่อว่าเราเกิดมาใน ชาตินี้เรามาพบพุทธศาสนาเราได้ชำระชีวิตจิตใจของเราให้สะอาดของไสปราศจากบาปกรรมความชั่วทั้งหลายถึงแม้ไม่หมดก็เรียกว่าให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเช่นนี้เราก็ได้รับความอุ่นใจในชีวิตนี้แม้ว่าความเจ็บป่วยไข้หรือความตายจะมาถึงเราก็ไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกอะไรเลย พระไดพิจารณาเห็นอยู่ทุกวันทุกคืนว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วผูใ้ใดทํากรรมอันใดก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอย่างนี้นะเมื่อเรารู้เราเข้าใจคําสอนพระเจ้าอย่างนี้ได้ดีมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจวนจะล้มจะตายก็ไม่ต้องร้องให้ลํำเลเศร้าโศกหาใครต่อใครในโลกนี้ พวใครเกิดมาเนี่ยก็ต้องเกเจ็บตายเหมือนกันหมด ต, ต่างแต่ว่าก่อนและหลังกันเท่านั้นแม้จะเป็นบุคคลที่ตนรักตนพอใจอะไรก็ตามเลยมันก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดการนานไปที่ไหนก็ต้องแตกต้องตายเหมือนกับเรานี่แหละพอภาวนาพิจารณาเห็นได้อย่างนี้มันก็ไม่ห่วงไม่อะไรกับใคร มีแต่รวบรวมเอาบุญเคุณตั้งไว้ในใจเป็นที่พึ่งของตนไปอย่างนี้นะจนหมดลมหายใจเขาออกเราได้บุญคุณเป็นที่พึ่งไปสู่โลกหน้าแล้วเราก็มีความสุขความเจริญเราไม่ได้ยึดเอากำรรชั่วติดตัวไปเกิดไปชาติต่อไปก็มีชีวิตร่าบลื่นไม่ได้ไปสบความทุกข์ความที่หวัดต่างๆนานาก็มีโอกาสได้สร้างบุญบา ร, รมีสืบต่อไป ให้มากขึ้นโดยลำดับจนกลัวมันจะเต็มคนเราน่ะเมื่อสร้างบ่อบุญบรารมียังไม่เต็มก็พ้นทุกไปยังไม่ได้ถึงบรรลุพระริพานก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนะ่ะเราลงมาคำหนึ่งทบทวนถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าดูก็อรู้ได้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ได้ปาถนาเป็นเพื่อพระพุทธเจ้าก็ตาม อันบุคคลจะพ้นทุกไปได้นั้นต้องสร้างบุญบา ร, รมีให้เต็มตามภูมิของตนผู้เป็นภูมิสาวกอย่างนี้ก็สร้างบุญบา ร, รมีไปในตําราท่านกล่าวว่าแสนกับก็เต็มบริบูรณ์จึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อืพ้นทุกไปได้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สามจำพวกคือปัญญาทิกะ พวกหนึ่งนี่สร้างบารมีสี่อสงไขยปลายแสนมหากับในเก่พระพุทธเจ้าของเรานี่ยแหละก็เต็ ม, มเป็นศรัทธาทิกะมีศรัทธาเป็นกําลังใหญ่ทําให้สร้างบุญบารมีอันนี้ต้องสร้างอยู่นานแปดอสงไขยปลายแสนมหากับจึงค่อยเต็มวิริยาทิกะถือเอาความเพียรเป็นใหญ่การสร้างบารมี ทำอะไรก็ทำให้ละเอียดละออทำให้ดีให้งามสอนคนก็พยายามสอนไปอยู่อย่างนั้นเลยเอาเอาความอดความทนเข้าใส่ความภาคเพียนทำใจดีสู้ไปประเภทนี้นั้นสร้างบารมีนานกูเพื่อนเลยตั้งสิบหกอสงไขยปลายแสนหมากับจึงค่อยเต็มบริบูรณ์เช่นพระศรีอริยเมตไตร ที่จะมาตัดสรุปในการข้างหน้านี้ในตำราท่านกล่าวว่าต้องสร้างบา ร, รมีมาถึงสิบหกอสงไขยปลายแสนมหากับเพราะว่าท่านอยู่ในจำพวกวิทยาธิกัดมีความเพียรเป็นใหญ่นี่ต้องต้องสร้างบา ร, รมีให้เต็มวันิพพิสษษาวกนะสร้างบุญบา ร, รมีตามมากุธเจ้ามาการทำความดีก็ไม่ไม่เท่าเทียมพระโพธิสัตว์ ก็ย่อนโภ พ, พธิสัตว์เช่นยกตัวอย่างว่าพระพุทธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราในครั้งเป็นพระเวสสันดรนนะ่ะพระองค์สละของรักของชอบใจห้าอย่างให้เป็นทานได้เลยสละลูกสละเมียสละช้างพัทินั่งม้าพัทินั่งราชรสและเอินทองเข้าของนันเป็นส่วนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก็สละให้ทานแก่ญาจกคนขอ เสร็จแล้วก็เข้าไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์เขาวงกฏซึ่งคนธรรมดาสามัญทำไม่ได้เลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าในจึงมีภูมิใหญ่กว้า ง, างมีความรู้กว้างขวางมีญาณอย่างรู้อัธยาศัยใจคอของมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายส่วนภาษาวกรู้ไม่ได้เพราะว่าภูมิแคบ ต่างกันอย่างนี้นี่เท่ที่ยกมาแสดงให้ฟังนี่เนะี่ยเพื่อให้ผู้ฟังได้เชื่อมั่นในบุญในกุศลความดีที่เราทำด้วยกายวาจาใจอันนี้จะทำนำให้เราพ้นทุกไปได้โดยลำบากจนถึงพระนิพพานแลวในขณะเดียวก็เราเพียนละบาปไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ายังสร้างบาปกรม คนเปกั บ, บุญกุศลไปอย่างนี้นานทนทุกข์เพราะว่าจะต้องไปเสวยผลแห่งบาปกรรมอยู่นรกอบายภูมินานกว่จะพ้นมาได้ผู้ใดทำบาปกรรมแต่ละชาติตายแล้วไปตกนรกหมกไหมในอบายภูมิอย่างนี้นะมีอายุยืนมากตันรกนั่นเงียดยืนกว่าเทวดายบนสวรรค์ตั้งเท่าตัวนู่นนะเป็นอย่างนั้น ทำให้เนื่นชาไม่พ้นทุกข์ไปได้ง่ายง่ายหมดวิบากของกรรมอันนั้นแล้วจิงได้มาเสวยผลบุญที่ตนทำไว้บุญที่ทำไว้มันก็ไม่หาย